ー สองวันนี้ได้อ่านข้อเขียนของอดีตนักโทษประหารที่ว่าเป็นอดีตนี่ไม่ได้แปลว่าเขาตายแล้วนะแต่ว่าเขาถูกลดโทษมากลายเป็นจองคุกตลอดชีวิตแทนผู้ชายคนนี้ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาต้องโทษประหารชีวิตนะข้อหาอะไรแต่เดาว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะนะ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 เสียงตูนมันดังปลุกให้ทุกคนก็นอนต่อไม่ได้เสียงมันดังรบ ก, กวนก็ต้องลุกขึ้นมาส่วนหนึ่งก็อยากจะลุกด้วยเพราะว่าจะได้ออกจากเรือนนอนออกจากตึกนอนไปเจออากาศบริสุทธิ์ซึ่งก็จะคงจะเป็นลานโล่ง น, นะที่มีตะขายเหล็กล้อมรอบคนก็อยากอยู่อยากเจออากาศ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 ก็คือว่าไม่ได้มีความอนาถร้อนใจอะไรมากมีการพูดคุยหยอกล้อ ก, กันมีการร้องเพลงใช่ชิดเหมือนกับคนปกติก็ว่าได้อันนี้ก็แสดงว่าธรรมชาติคนเราก็มีความสามารถนะในการปรับตัวอยู่ที่ไหนก็ตามนี่แม้จะลำบากแค่ไหนนะทีแรกก็อาจจะอึดอัดขัดเครื่อง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 อันนี้นะักโทษประหารเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็มีชีวิตที่เรียกว่าปรับตัวได้กับความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายจนเหมือนกับว่ามีชืวิตไม่ตางอย่างนักโทษปกติโดยอาจจะลืมไม่ได้ซ้าว่าตัวเองเนี่ยนะมีโทษประหารชีวิตรออยู่แล้วมันจะมีนะพออยู่อยู่ไปเนี่ยสักบางคนมาอยู่สักปีหนึ่ง หรือหลายเดือนเนี่ยทุกอย่างก็ดูราบพื้นปกติแล้ววันหนึ่งเนี่ยประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าถึงสี่มงสิบห้าเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงตกพื้นทุกคนก็จะเงียบปิบทันทีเลยเพราะว่านันเป็นสัญญาณว่ามีเจ้าที่เนี่ยจะมาเปิดเปิดห้องขังเวลาเปิดห้องขังเนี่ยมันก็จะมีมีเหล็กเนี่ยนะ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 พออยู่ๆปมันก็ลืมนะลืมลืมไปว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเวลานักโทษเนี่ยดูละครเนี่ยละครเนี่ยพอถึงฉากนะพระเอกกับผู้ลายสู้กันเนี่ยถามว่านักโทษนีจะเชียร์ใคร mm hmm. เกือบร้อยท้งร้อยนะเชียร์พระเอกนะเชียร์พระเอกอยากจะให้พระเอก เ, เอาชนะผู้ลายให้ได้ทั้งทัที่ตัวคนดูเนี่ยก็คือผู้ล้ายนัย่นแหละนะ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 พอได้เสียงเหล็กตกเนี่ยนะอย่างที่บ่อนะเรือนนอนนี่ก็ตึกนอนก็นเงียบกริบแล้วก็ดูว่าเหล็กมันไปนตกที่ห้องไหนเหล็กตกนเสียงดังที่ห้องไหนถ้าเป็นห้องที่ตัวเองอยู่นี่ก็ภาวาแล้วพอเรียกชื่อนะคนคนหนึ่งเนี่ยแกก็ข่าอ่อนเลยนะยกถูกลากออกไปจากห้องแค่นั้นไปพอมีเสียงเหล็กตกอีกอยู่หน้าห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีเสียงว่า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 แต่แกไม่เชื่อนะไม่ยอมออกเพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลอกเพราะเคยมีคดีแบบนี้นะหลอกว่าให้มารับหมายรับสั่งมารับทุนกล้าวนยะก็คือไปรับอยู่ไปรับหมายรับสั่งหน้าหน้าหน้าพระบรมชายาลักษ์เพื่อแสดงความขอบคุณเคยมีเจ้าที่หลอกไ ป, ปรากว่าไปแล้วไม่กลับมาเลยก็คือหลอกไปยิงนะไปประหารในชานี่ก็ไม่ยอมออกนะกลัวมากเลย ที่น่าสนใจมีกลายนึงนะได้ยินเสียงเหล็กตกเหมือนเงินนะในห้องนั้นก็มีห้องเดียวกับคนเล่าก็มีชื่อคนหนึ่งชื่อชื่อวิรัตนะแกเป็นนักโทษเด็กขาดแกก็ถามว่ามีเจ้าที่มาไมบอกโอ้ยมีเจ้าที่มาเต็มตึกเต็มหน้าตึกเลยอันนี้ก็หมายความที่มีเจ้าที่มาเยอะแยะแสดงว่ามารับมารับนักโทษประหารไปไปแดนประหารจะตกใจมากเลยนะ แกรีไปส่วนมนั่งสมาธิเลยเพราะคิดว่าเนี่ยถึงครางตัวเองแน่นอนปอกกว่าไม่ใช่ตำรวจนะเป็นเจ้าที่ทหารเนี่ยเขามาตรวจ ด, ดูสำรวจเพราะว่าพระองค์พาจะเสด็จนะไม่ใช่เจ้าที่นะราชทันแต่เป็นทหารก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ั้าที่แกรู้ความจริงนะว่าไม่มีอะไรนะไม่มีการเรียกตัวใครไปไ ป, ไปแดนประหารแต่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 ก็คือลืมไปว่าสวันหนึ่งตัวเองต้องตายบางคนก็อายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ยังก็ยงอยู่แบบลืมตายก็มีแต่ที่จริงมันก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะขนาดนักโทษประหารเนี่ยรวมทั้งนักโทษเด็ดขาดด้วยเนี่ยเวลาพวกนี้อยู่ในบางขวานี่เขาก็ลืมบางบ่อยครั้งาก็ลืมนะว่าเขาจะต้องถูกประหารไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเฮฮาสนุกสนาน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 คนเราถ้าทาคุณงามความดีมาทั้งชีวิตเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเชื่องตัวเองเนี่ยเป็นชวิตที่มีคุณค่าไม่เสียไม่เสียชาติเกิดไม่เสียใดที่เกิดมาคนเราถ้ารู้สึกว่าใช้ชื่ออย่างคุ้มค่าแล้วเนี่ยถึงเวลาจะตายก็ไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจแล้วก็มั่นใจด้วยว่าตายไปแล้วก็จะไปดีไปสุขติแลความดีเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นหลักประกัน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 สิ่งที่ควรทำก็ทำสำเร็จเสร็จสิ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะรู้สึกอยู่เสมอว่ามันยังมีอะไรที่ไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง <Yeah. S 1> เพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็พรอะวความประมาทคิดว่ายังมีเวลายังมีเวลาจะให้กับบุพการีมีเวลาที่จะให้กับลูกมีเวลาที่จะทำนั่นทำนี่ยวไม่ตายง่ายหรอกตอนนี้ฉันขอทำงานหาเงินก่อนตอนนี้ฉันขอเที่ยวก่อนนะอันนี้ก็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 ไอ้ตอนที่มีโอกาสไม่ทำนะเคยจัดอบรมให้ทำกิจกรรมนะให้คนเนี่ยซ้อมตายว่าตัวเองกำลังจะตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ค่อยพูดให้เขา ค, ค่อยบิ้วนะค่อยให้พูดด้เขาจินตนาการว่าเขากลังจะตายหัวใจกำลังจะหยุดเต้นลมหายใจกำลังจะหมดตัวกำลังจะแข็งวิญญาณกำลังจอดอกจากล่างถ้า แ, แล้วจูม่มพยายมลมนะลาศเนี่ย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 ขอแบบนี้มันคิดเอาไม่ได้นะมันต้องฝึกด้วยนะต้องฝึกด้วยการจินตนาการว่าจินตนาการถึงความตายที่กำลังเกิดขึ้นกับเราบางทีเวลาเรานั่งรถเรานั่งรถที่วิ่งเร็วเนี่ยนะลองจินตนาการสักหน่อยว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามันมีรถสิบล้อพุ่งมาชนให้ตอนที่เรานั่งรถ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 ชวนวาดเสียวเนี่ยเพียงแค่จินตนาการเนี่ยบางทีใจมันวูบเลยเนะหรือว่ากำลังนั่งรถข้ามสะพานเนี่ยจินตนาการว่ารถมันเกิดตกสะพานลงแม่น้าหรือรถกำลังเล่นอยู่บนสะพานลอยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันฉลับลงจากสะพานลอยซึ่งสูงขนาดตึกห้าชั้นสิบชั้นเนี่ยมันจะเห็นความกลัววูบขึ้นมาเลยเนะ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 ความตายมาฉันพร้อมอันนี้เพราะว่ายังไมไ่เจอความตายมาม า, มาประชิดตัวหรือเฉียดเข้าใกลนะ้พอเจอเข้าไปจังๆนี่นะโอมันช็อกไปเลยก็มีนะอย่างอย่างยูโซเนี่ยนะหรือว่าวิลัตเนี่ยครูผู้นี้เขาคิดอยู่เสมอนะว่าความตายจะเกิดขึ้นเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่ได้เตรียมตัวดีพอพอมันเกิดขึ้นจริงก็สลบไปเลยช็อกไปเลย หรือเป็นบ้าไปเลยไร้สติสตังแล้วคนนี้ประมาทไม่ได้ต้องฝึกสม่ำเสมอเป็นอา จ, จินอคันเียวู้กันท่านนี้